ไม่เพียงราคะจะดับแต่กลับทวีขึ้นเป็นสองเท่าสามเท่าฉันขบฟันนิดหนึ่งลักษณะอันเป็นยางเหนียวหนืดเข้มข้นของราคะเป็นอย่างไรเพิ่งประจักษ์ในบนัดนี้หลังจากที่เคยชินกับจิตอันผ่องแพ้วมาเนิ่นนานจึงได้ข้อเปรียบเทียบชัดราวกับสองมือแห้งถูกกันสบายๆอยู่ดีๆไม่ชอบกลับเอาไปจุ่มกาว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 เธอดูดีมีเสน่ห์กว่าเดิมเส อ, อีกทั้งท่วงทีกิริยาทั้งวาจาชอเลาะรากลับไปฝึกเปรอวิทยายุทธมาจากสำนักไหนสักแห่งจนเข้าขั้นไร้เทียมทานเล่นเอาฉันงวยงงหลงมนเสน่ห์ไปหมดไม่ว่าเธอจะทำอะไรพูดคำไหนถูกใจเลิศเกินเราอาศัยสัมพันธภาพอันเคยสนิทชิดเชื้อ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 ล้วนกลายเป็นภาวะห่างไกลจนเอื้อมไม่ถึงเหมือนครั้งเพิ่งเริ่มต้นสงสัยชีวิตทีเดียวราคะของจริงฉุดสติดิ่งลงเหวได้วรวดเร็วยิ่งกว่ามือยักกระชากอดีตคนรักที่ทำท่าจะหวนกลับมาเป็นคนรักปัจจุบันทำให้ฉันรู้ซึงถึงก้นบึ้งสัจจะนั่นคือถ้าหากมีกายสัมผัสของคนที่เราพิศวาสเป็นเครื่องกาเนิดราคะ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 หรือถ้าเห็นก็อย่าพูดด้วยหรือถ้าจำเป็นต้องพูดด้วยก็ให้มีสติเพื่อเป็นการสกัดกั้นราคาไว้ไม่ให้รั่วรส ถ, ถึงจิตแต่นี่ฉันทั้งเห็นทั้งพูดทั้งไม่มีสติสกัดกัน้นด้วยข้อห้ามใดๆแบบวินัยสงสมบัติทางใจเก่าๆ เ, เป็นอันสาบสูญสิ้นในพริบตากลับมาสู่โลกเก่าที่มีความหวานอ้อยอิงเป็นเครื่องเชื่อมให้ติดใจ